ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายทำกรรมแก่ภิกษุณีทั้งหลายสมัยนั้นภิกษุณีทั้งหลายที่ถูกทำกรรมแล้วพบภิกษุที่ถนนบ้างกรอกบ้างทางสามแพร่งบ้างได้วางบาทไว้บนพื้นห่มอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่ง นั่งกระโยงประนมมือขอขมาว่าจะไม่ทําอย่างนี้อีกคนทั้งหลายตำหนิประนามโพนทนาว่าภิกษุณีเหล่านี้เป็นพันยาของภิกษุเหล่านี้ภิกษุณีเหล่านี้เป็นชู้ของภิกษุเหล่านี้ภิกษุและภิกษุณีเหล่านี้ล่วงเกินกันตอนกลางคืน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 บอกภิกษุณีทั้งหลายว่าพวกเธอพึงทำกรรมอย่างนี้สมัยนั้นภิกษุณีทั้งหลายบาดหมางทะเลาะวิวาทกันใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันท่ามกลางสงไม่อาจจะระงับอธิกรณ์นั้นได้ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายระงับอธิกรณ์ของภิกษุณีทั้งหลายสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายกําลังระงับอธิกรณ์ของภิกษุณีทั้งหลายเมื่อภิกษุทั้งหลายกําลังวินิจฉัยอธิกรณ์อยู่ ปรากฏมีภิกษุณีทั้งหลายที่เข้ากรรมบ้างต้องอาบัตบ้างภิกษุณีทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่าดีแล้วท่านผู้เจริญขอพระคุณเจ้าทั้งหลายจงทำกรรมแก่ภิกษุณีทั้งหลายขอพระคุณเจ้าทั้งหลายจงรับอาบัติของภิกษุณีทั้งหลายเพราะพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่าภิกษุทั้งหลาย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 ลงโทษภิกษุณีทั้งหลายกันเองภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายมอบการปรงอาบัตของภิกษุณีทั้งหลายให้แก่ภิกษุณีทั้งหลายเพื่อให้ภิกษุณีทั้งหลายรับอาบัตกับภิกษุณีทั้งหลายด้วยกันสมัยนั้นภิกษุณีอันเตวาสินีของภิกษุณีอุบลวรนา ติดตามพระผู้มีพระภาคเรียนพระวินัยอยู่เจ็ปีนางกลับมีสติฟั่นเฟือนพระวินัยที่เรียนไว้ก็เลอะเลือนนางทราบว่าพระผู้มีพระภาคประสงค์จะเสด็จไปกรุงสาวัตถีจึงคิดว่าเราติดตามพระผู้มีพระภาคเรียนพระวินัยอยู่เจ็ดปี จนสติฟันเฟือนพระวินัยที่เคยเรียนไว้ก็เลอะเลือนการที่มาตุกคามจะติดตามพระผู้มีพระภาคไปจนตลอดชีวิตเป็นเรื่องยากเราจะพึงปฏิบัติอย่างไรเล่าจึงบอกเรื่องนั้นให้ภิกษุณีทั้งหลายทราบภิกษุณีทั้งหลายจึงบอกความนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลาย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 ปฐมภานวานจบ